เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่15ห้าตอนอัตถกถาธรรมบทแปลจากพระบาลีภาคที่ห้าเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนพิทักวงศุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยอริยาคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยคุณนงนุษยอดพรมคุณพาวินีเบียนเน็กคุณนาตยาสีโพคุณอ น, นัญญาทองทุม คุณเอกอนงบัญจงวัฒนาและคุณอนนบดีลามณีพระธรมรมปัตตถาแปลภาคที่ห้าเรื่องพรามชื่อจุลกะสาดกผู้ถวายผ้าหม่มผืนเล็กพืนเดียวสาดกหรือสาตกะแปลว่าผ้าพระสัสดาเมื่อประทับในพระเชตวัน สรงพระรกรามชื่อจุลกะษาดกความพิสดารความว่าในการพระวิปัสสิทศพนมมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเอกาสาดกทํากาลากิริยาตายในชาตินั้นมาบังเกิดในชาตินี้เป็นพราหมณ์ชื่อจุลกะสาดกในเมืองสาวัตถีเขามีผ้านุ่งหนึ่งผืนแม่ของภริยานางพราหมณีก็มีหนึ่งผืนทั้งสองผัวเมียมีผ้าห่มผืนเดียวเท่านั้น เวลาไปภายนอกบ้านก็จะผลัดกันหมออกไปได้ทีละคนวันหนึ่งเมื่อเขาประกาศฟังธรรมในวิหารนางปรมณีย่อมไปตอนกลางวันส่วนเขาไปตอนกลางคืนจุเลกาสาดกฟังธรรมอยู่ในคืนหนึ่งครั้งนั้นปีติหมีกุติกาปีติอย่างน้อยหนึ่งคณิกาปีติชั่วขณะหนึ่งอกกันติกาปีติเป็นพักๆหนึ่ง อุกเพลงคาปีติอย่างโลดโผนหนึ่งและภรรณนาปีติซาบซ่านหนึ่งปีติหได้เกิดอย่างซาบซ่านไปทั่วรีระของพรามนั้นเกิดขึ้นแล้วเขาเป็นผู้ใกล้จะบูชาพระศัสดาพลางคิดว่าถ้าจาักถวายผ้าสาดผืนนี้ผ้าห่มของนางพร a h m a n จักไม่มีของเราก็จะไม่มีขณะนั้นจิตประกอบด้วยความตรณีพันดวงเกิดขึ้นแล้วแก่เขา ต่อมาจิตศรัทธาเกิดขึ้นอีกจิตตรณีก็เกิดขึ้นครอบงำศรัทธาจิตอีกความตรณีอันมีกำลังคอยกิจกันศรัทธาจิตไว้ดุดมัดไว้อยู่ทีเดียวด้วยประการชนี้เมื่อเขากำลังคิดว่าจะถวายจากไม่ถวายดังนี้แหละครันปฐมมยามล่วงไปแล้วครันถึงปฐิ ม, มยามเขาก็ไม่อาจถวายเมื่อถึงปฐิ ม, มยามเขาคิดว่า เรากำลังรบอยู่กับสัทธาจิตและมัจฉริยจิตแม้สองยามล่วงแล้วมัจฉริยจิตมีกำลังมากจเจริญอยู่จะไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากอบายบัดนี้เราจะถวายผ้าสาดกหละเขาขม่มความตรณีตั้งพันดวงได้แล้วทำศรัทธาจิตให้เป็นปูเรจาริกคือเกิดขึ้นก่อนแล้วถือเอาผ้าสาดกไปวางแทบบาดมูลพระาศาสดาเปล่งเสียงดังๆขึ้นสามครั้งว่า ชิตังเมเราชนะแล้วพระเจ้าประส enti กำลังทรงนั่งฟังธรรมได้สะดับเสียงนั้นจึงตรัสถามว่าชนะอะไรพรามทุกราชบุรุษถามแล้วทรงทราบแล้วทรงดำริว่าพรามทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากเพราะจากสงเคาะเขาจึงรับสั่งให้พระราชาทานผ้าสาดกคู่หนึ่งเขาได้ถวายผ้า น, นั้นแด่พระตถาคตเหมือนกัน รับสั่งให้พระราชทานผ้านั้นอีกเป็นทวีคูณสองคู่สี่คู่8ปดคู่16หคู่เขาได้ถวายผ้าแม้เหล่านั้นแดบระตถาคตนั่นเทียวต่อมาพระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้าสาดก32คู่แก่เขาเพื่อจะป้องกันวาทะว่าระไม่ถือเอาเพื่อตนดังนั้นจึงถือผ้าเอาไว้สองคู่เพื่อตนและภ ร, ริยาได้ถวายผ้าสาสิบคู่ แต่พระตถ า, าคตอีกทีเดียวพระราชาสงราชบุรุษว่าพรามทำสิ่งที่ทำได้ยากจงนำเอาผ้าการรพลสองผืนในวังของเรามารับสั่งให้พระราชทานผ้ากาพลสองผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขาพรามคิดว่าผ้ากาพลนี้ไม่สมควรแก่เขาผ้านี้สมควรแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงได้ขึงผ้ากาพลผืนหนึ่ง เป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บรรทมภายในคันธกุดีพื้นหนึ่งถึงเป็นเพดานในที่ทำพัตกิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิดในเรือนของตนในเวลาเย็นพระราชาเสด็จสู่สำนักพระสัสดาทรงจำ้ากําผลได้ทรงทราบว่าพรามทำการถวายบูชาพระพุทธองค์ทรงดำริว่า พรามนั้นเริ่มใสในฐานะที่เราเริ่มใสเหมือนกันจึงมีรับสั่งให้พระราชทานหมวดสีแห่งวัตถุร้อยมีช้างม้ากหาปณะนะสตรีทาสีบุรุษบ้านสวยตำบลเป็นต้นภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันถึงเรื่องน่าอัศจรรย์นี้เรื่องทานที่ให้ผลในวันเดียวพระศาสดาทรงตรัสพระคาถาว่าบุคคล พึงรีบขวนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในความชั่วข้อธรรมวิจัยความตรนี์เป็นมนทินของผู้ให้ธรรมบททานกับการรบมีสภาพเสมอกัน อาิตตชาดกผู้ให้ย่อมเป็นที่รักธานานิสังสสูตรทานมีสองได้แก่วัตถุทานคืออมิสทานหนึ่งและธรรมทานอีกหนึ่งวัตถุทานเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยให้บังเกิดภพกรัพั์ในโลกหน้าซึ่งประกอบด้วยประโยชน์โลกหน้ามีศรัทธาศีลสุตตะจากขะคือทานและปัญญา เป็นสเสบียงเดินทางผู้สมบูรณ์ด้วยภพท้ัพย์ย่อมมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้มากกว่าคือไม่ต้องเสียเวลาทั้งชีวิตเพื่อลำบากลำบนในการหาเงินหาปัจจัยสี่มีเวลาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมได้มากในกรณีที่มีจิตศรัทธาธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นทานเป็นทานแห่งปัญญาทรงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงจากธรรมบททานสูตรผู้ปฏิบัติธรรมพึงให้ธรรมะเป็นทานให้มากผลแห่งการปฏิบัติจะบังเกิดเร็วแต่ทั้งนี้ไม่ควรลืมทานทั้งปวงด้วยดังนั้นจึงควรทำทั้งสองอย่างอภัยทานเป็นธรรมทานชั้นเลิศเป็นทานสูงสุด เป็นบารมีข้อขันติบารมีและเมตตาบารมีอันเป็นความดีสั่งสมอย่างยิ่งยวดย่อมถึงฟังปิงคียะมานกฟังถามพระศาสดาไม่บรรลุธรรมเช่นกับสิทธิคนอื่นๆปิงคียะมานก บ, บวชแล้วนำธรรมะที่ทรงแสดงมาแสดงให้ลุงฟังปิงคียะเทระบรรลุอรหัตส่วนพราหมณ์ภาวรีบรรลุอนาคามีนี่พระอานิสงฆ์แห่งธรรมทาน